โลกคุณหนูมากับโชคดีภายนอกที่ไม่ต้องมีปัญหามากมายมากับโชคร้ายภายในที่เจอปัญหาแล้วอยากหลบโลกนี้มีคนโชคดีอยู่จริงๆตั้งแต่เกิดมาคนอื่นก็แก้ปัญหาให้หมดหรือไม่ก็โรยกลีบกุหลาบปูปทางไร้ปัญหาให้พร้อมเดิน แต่ในความโชคดีชนิดนั้นจริงๆมีความโชคร้ายแฝงอยู่เพราะธรรมชาติของคนเราเมื่อไม่ต้องแบกภาระไม่ต้องเจอปัญหาให้คิดแก้ไม่ต้องผ่านเรื่องยากให้ร่างกายทำงานในที่สุดก็หัวหดเข้าหมดงอมืองอเท้าใจอยากคิดแต่เรื่องง่ายๆสบายๆร่างกายชินกับท่านอนแผ่นิ่งๆจมๆเสร็จแล้วก็ต้องทนอยู่กับความเบื่อตัวเอง เพราะไม่มีสิ่งใดน่าเอื่อมระอาเท่ากับจิตวิญญาณที่อ่อนแอมือลอยคิดอะไรเองไม่เป็นหวาดกลัวกา ร, รเผชิญหน้ากับปัญหาแก้ปัญหาเหนื่อยหน่อยเดียวก็คอตกลิ้นห้อยอยากโวยวายหาเรื่องโทษใครสักคนที่เอาภาระมาโยนใส่ตักตนแล้วโลกนี้ก็มีคนโชคร้ายอยู่จริงๆเกิดมายังไม่ทันไร ก็ต้องช่วยแบกภาระให้ผู้ปกครองที่ชีวิตเต็มไปด้วยปัญหาแม้ตัวเองไม่สร้างปัญหาผู้ปกครองก็ช่วยสร้างให้หรือไม่ก็เตรียมเส้นทางที่ปูด้วยสารพัดปัญหาสารพัดขวากหนามไว้ให้เดินแต่ในความโชคร้ายนั้นอาจมีความโชคดีแฝงอยู่เพราะคนเราถ้าเคยชินกับปัญหาร่างกายและจิตใจ จะพร้อมเผชิญปัญหาไม่ออกอาการปฏิเสธปัญหายิ่งถ้ามีใครสอนให้แก้ปัญหาเป็นระบบจูนสมองให้เหล็งตรงจุดเพื่อเข้าถึงต้นต่อปัญหาก็จะรู้จักความสนุกกับการแก้ปัญหาให้ลุล่วงอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมีสัญชาตญาณและความเข้มแข็งแบบผู้ใหญ่ที่รู้คิดรู้อ่านกับทั้งผ่านอุปสรรคยากๆได้เสมอ ไม่ต้องทนรำคาญตัวเองไม่ต้องถามตัวเองว่าจะอยู่ไปเพื่ออะไรดีเพราะทุกวันมีคำตอบชัดอยู่แล้วคืออยู่เพื่อสนุกกับการแก้กปัญหาที่ยังค้างอยู่มีพลังนักสู้ที่เต็มใจรบกับปัญหาทุกวันเห็นปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาและเห็นตัวเองโชคดีที่ไม่ต้องเป็นโรคคุณหนูไม่ต้องชักดินชักงอกับปัญหาเดียวในรอบ ป, ปี